ร่างกายกับจิตใจเราก็ใช้เป็นเครื่องมือเป็นพ่วงแพร่ปทิยา่อรอกพายมอนก็เข้าฝั่งให้ไปสู่ฝั่งของพระนิพันธ์เราก็เลือกที่จะใช้ ทำหน้าที่อันสูงสุดอันนี้ได้ที่ผ่านมาเราใช้เป็นสุขใช้ร่างกายเป็นสุขหาความสุขจากร่างกายบางที่เราทุกมาเป็นสุขบทีเราสุขมาเป็นสุขงทีเราสุขมาเป็นทุกจิตใจเหมือนกันเราหยิบมาใช้ กลไกลของการคิดคิดให้สุขคิดให้ทุกคิดไปอดีตคิดไปอนาคตเรามาฝึกมาหัดนะคับมีกรอบมีกฎมีเกณฑ์โดยใช้หลักของกรรมฐานสติปัฏฐาน4เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นเวทนาตางความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น กับกายกับจิตนะตามความเป็นจริงนะเรียกว่าวัตถุรูปธรรมนามธรรมเรามีกรอบมีกฎมีเกณฑ์ฝึกนะนะเนรังกายก่อการฝึกใช้ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมเนะนะสนาสนะนะที่อยู่อาศัย เครื่องนุงหมยารักษาโรคอาหารกันกบชั้นต่างๆก็อยู่ในกรอบของการดำรงชีวิตนะอย่างพอดีพ อ, พอเพียงประโยชน์สูงประหยัดสุดเนี่มันก็เกิดคุณค่าขึ้นมาเป็นกรอบของความยุติธรรมสมควรได้ก็ได้ไม่สมควรได้ก็ยังไม่ได้แต่ที่แนาๆคือมีสิทธิ ทใใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบหรือว่าสิทธิร0 0เเซจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะหายใจจะกินจะขับถ่ายเรามีสิทธ์ตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคลของเทวดาของปลอมของเปรตสนนโกอสุรกายบางทีใครหิวจนน่าสงสารก็อุทิตส่งมาให้เป็นเปรต ัางทีเราก็ช่วยเหลือตัวเราเองเต็มที่ไม่เพึ่งใครไม่ขอใครในน้ของความยิ่งหรือว่าศักดิ์ศรีความยาโสห่งหง า, างการรัฐบังการเมตตามีตัวมี ต, มตนมีมานาทิฐิอันนี้เราก็จะได้เห็นในตัวเราเนี่แหละมันจะแสดงออกมาในคราบของวิธีคิดวิธีนึกวิธีปรุงวิธีแต่ง คิดแล้วพูดคิดแล้วทำเราก็จะได้ฝึกเราร่างการฝึกก็คือให้มารู้สึกตัวมีการเคลื่อนการไหวอะไรมันไหวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเราก็รู้เท่ารู้ททนมันเพราะนกายก็เป็นพวงแผ่เราก็ใช้การฝึกหัดการถอการพาย มันก็จะต้องทำให้เป็นมันคิดเอาไม่ได้ในสมัยหนึ่งเคยคิดว่าตัวเองภายเหลือเป็นในสมัยนั้นก็อายุประมาณสักอยู่ชั้นมัธยมหนึ่งมัธยมหนึ่งทุกครั้งเมื่อปิดเทอมพ่อกับแม่ก็จะพาไปอยู่แม่บรรยายกบัรญยา จะเปลี่ยนกันถ้าบรรยายก็อยู่ที่สถีบอันนี้แกจะมีเรื่องของตาเ็าเล่นไก่ชนเล่นปลากัดยายก็จะปลูกต้นไม้ดอกสวยๆแล้วก็ทำอาหารกันกบฉันเช่นเอาข้าวที่เหลือแล้วมาบดตากแห้งเอาไว้ทำข้าวตู เราเนพฤติกรรมอ่อใหญก็ทําอย่างนี้ตาก็ทําอย่างนี้เวลาไปอยู่กับย่าที่นั่นจะเป็นท้องล่องแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวต้นหมากมะม่วงน้ําดอกไม้ชมพวกมะเมีออ่ยวจำพูกอินโดนีเซียฝรั่งกะลาปา๋าท้องล่องก็จะมีปลาตีนมีปูสแสมแล้วก็มีปลาช่อนแล้วก็ปลาซิโปลา ครึ่งน้ําครึ่งบกกรุงกมกามมันก็จะมีธรรมชาติอีกแบบหนึ่งมันก็จะมีเรือพายออกไปแม่น้ําเจ้าพระยาวันหนึ่งยาก็บอกว่าหลานเอ้ยไปพายเรือเล่นกันมันก็จะมีกอจากคลองซอยจากแม่น้ําเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปจอทางถึงบ้านก็ลงท่าน้ําไปก็บอกยาย เดี๋ยวนี้จะพายเรือเองก็หยิบไม้พายได้ก็นั่งทำท่าเหมือนกับยะย่าเวลาเห็นญยะก็พายก็ทำท่าอย่างนี้แหละยากันเทควาลานะพายเรือเป็นก็นั่งหัวเรือพอนั่งเรือแล้วก็จับไม้พายได้นะเรือมันหมุนนะยมเรือนหมุนมันก็หัวทิ่มไปกอจากกอนอนบ่งกอนี้บ้างทุลักทุเลเต็มทียอมเอ้ย มันไม่เคยฝึกไม่เคยหัดมายากก็ไม่ได้สอนไอ้เราก็มั่นใจเราทําได้แน่นอนอย่างเงี้ยนะมันจะมียากอะไรหรอกแค่หยิบไม่พายจ้ำกับปมนก็ไปข้างหน้าแล้วคิดถึงนั้น น, นต้องพายงัดพายงัดพายงัดใช่ไหมมีการโล้ด้วยนะโล้ไม่พายนะไอ้ใหม่ๆเราก็ไม่รู้เรากำลังพายยังไงนึกว่าพายเป็นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็พูดถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน บางทีเราเน้นว่าเราทำเป็นนะแต่พอทําไปทําไปบันทึกไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่ทําไปทําไมอะไรเป็นความรู้สึกตัวอะไรเป็นความเคลื่อนคันไหวอะไรเป็นกายอะไรเป็นจิตไม่รู้เรื่องเลยเราก็ทําไปอย่างงั้นนะทำไป ว, วันวันหมดวันแต่ว่าจิตไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพราะฉะนั้นต้องมีความชัดเจนตรงนี้ต้องมีการยานมิตรมีครูบาอาจารย์ชัดเจนเลย ทำให้ถูกมาทําถูกมันถูกทํามาเจริญสติสติมันก็เจริญมันจะเห็นอาการต่างๆที่เป็นธรรมชาติของใจของจิตตรงเนี้บางทีมันทําด้วยความไม่รู้แล้วมันก็ไม่รู้ต่อไปบางทีมันทําด้วยความไม่รู้แต่ทําถูกมันก็รู้ขึ้นมาเมันกเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจริงจริงจากไม่ปกติเป็นปกติตรงนี้ เราได้เห็นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในรูปรอยที่มันลงเข้าไปในความคิดแล้วเกิดการปรุงการแต่งความรู้สึกตัวนี่มันตื้นๆมันเป็นปัจจุบันขณะตื้นๆเคลื่อนไหวมันสัมผัสแล้วมัมีความรู้สึกสติปัฏฐานก็นจะเกรู้เลนะิกรู้ความรู้สึกตัวตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยของนักปฏิบัติการฝึกการหัด แต่ว่าการที่จะไม่เนะรารู้ความรู้สึกตัวไปตรงๆหรืออาจารย์โควิดเกมานันต์ได้แจ้งว่ารู้สดๆนะรู้สดๆเป็นปัจจุบันขณะนะการรู้สดๆการรู้ตร ง, ตร ง, ตรงๆการรู้ซื่อๆเป็นสัมผันธ์แรกของนะจิตนะขณะที่รูร้รู้สัมผัสกระทบรู้นะนะตัวนี้นตัวนี้แหละมันเป็ น, นกลไก ที่จะพาเราพ้นทุกทําให้เราออกมาจากความคิดการปรุงการแต่งแล้วเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเวลามันแหวกจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากหลักของกรารมาแล้วมันก็เริ่มดิ้นไปตามนิสัยหความเคยชินเก่าๆที่มันเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ในอดีตตรงนี้แหละเราจะได้เห็นกดเห็นกรอบที่จิตใจของเรามันอยู่ในกรอบของปัจจุบันกันนะ อยู่ในกรอบของธรรมชาติที่มันเป็นปกติขมันอยู่นะตัวนี้มันจะได้ที่พึ่งขึ้นม่มันเคยไหลไปว่าไม่เคยฝึกมันตามความเคยชินตามหน้ากองกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะแก้ปัญหาอย่างไม่ถูกจุดนะเช่นกบเกลื่อนไปก่อนเช่นเก็บกดเช่นกล่อมตัวเองเช่นนะอีกหลายหลายอย่างนะไปหาความสุข จากการเสพกบเกลื่อนไปวันๆหนึ่งทุกตรงนี้ก็จะไปตรงนูน้นทุกที่บ้านก็จะไปชอปปิ้งจนเครียดจะไปกินเหล้างารวยเครียดจะไปชอปปิ้งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาทางกายวาจาใจซึ่งเราก็จะได้เห็นเราคนอื่นก็ก็จะได้เห็นเราด้วยแต่ว่าต่างคนต่างมาดูเราเราก็จะได้เห็นเราแล้วจัดการกับตัวเราเองอันนี้เรียกว่ากรรมมัฐาน เอากรรมนะ้ำมัดเอาไว้ที่ฐานให้ได้เอาการกระทำนะที่เคยเป็นดีเป็นชั่วมัดไว้ที่ฐานของกายมันจะปรับจิตปรับใจคืนสู่สภาวะปกติเหมือนกับน้ามันไหลเชี่ยวอย่างนี้นะน้ำมันไหลเชี่ยวแล้วก็ไม่ได้ไหลาตามน้ําความคิดนี่มันไหลเหมือนน้าจากที่สูงลงที่ต่ําแล้วก็มีหลักเก่อเอาไว้ไม่ไหลาตามความคิดทําตามความคิดที่มันเคยคิดเป็นดีเป็นชั่วเป็นถูกเป็นผิดเป็นเหตุเป็นผลนะ เป็นเรื่องราวต่างๆในหัวสมองจนกระทั้งยิ่งคิดยิ่งดิน้นยิ่งรัดนะคิดบกวนเหมือนพายเรือในอ่างตอกย้ำตัวเองนะมันจะทําให้เกิดโรค ต, ต่างๆมากมายแล้วกินะโรคจิตโรคประสาทโรคบ้าวิปลิตวิถีฐานต่างๆนะเกิดจากระบบความคิดของเราบันะที่คิดดีก็บ้าดีไปเลยนะแทนที่เอาวความดีมาเป็นกนะุปสนเป็นเรื่องของมรรคผลนิพันธ์ กลายเป็นธรำดีบ้าดีติดดีมอยู่ตรงนั้นนะบ้าบุญตรงนี้หรือว่าบ้าบาปนะเป็นโทสัจฉริยังเป็นโทสัจฉริอยู่นั้นนะอย่างเช่นว่าเมื่อสองวันก่อนที่ลงไประยองมีสองเหตุการณนะ์เหตุการณ์หนึ่งนะกดที่ข้างบ้านเลย น, ะนาบ้านกับหลังบ้านนะติดกันก็คือพ่อก็มีแม่ลูกเอิญมีมีแม่แล้วก็มีลูกเอิญคราวนี้ แลนะสามีภรรยานะมีลูกอ่อนมันก็เครียดหน่อยรนะบบขงสังคมที่มันวุนวายสับสนนะนะไอ้บ้าน้างๆ ก, ก็ต่อเติมนะมีช่างมาทำไอ้พ่อลูกอ่อนก็กโกรธนะตรงเสียงจนกระทั่งโลกนี่เรียกว่าทั้งร้องทั้งหงุดหงิดทั้งสารพัดนะนะก็ออกไปแล้วก็บน่นกลนดา่าชุดช่างนะ ด่าทั้งชุดน่นะด่ากลาดไปเลยนีนะลูกจะนอนมันนอนไม่ได้เสียงมันดังเอือทึกนยทำไมมันไม่เลือกเวลามาทำงานก็ด่าเขาเสียเสียหายหายนะปรากฏไี้ไม่กี่วันนะมันตามมายิงทิ้งเลยช่างชุดเนี่ยก็เล่นอยู่กระที่แล้วไปด่าเขาก็เป็นเป้าหนิ่งให้เขายิงประเภรเนี่ยเจแล้วมันตามเก็บเลย แล้วก็ตำรวจมาก็บอกว่าพวกต่างด้าวมันยิงทิ้งพวกประม่าหนีไปแล้วทั้งๆที่มือปืนก็น่าตาเฉยอยู่นั้นองเงี้นีมันบอกถึงอะไรเนี่ยก็บอกถึงว่าเราไม่ได้ฝึกจิตกันแล้วก็ไม่เคยรู้ะเสียงเสาะว่าเสียงกลิ่นเสาะว่ากลิ่นลิ้นเสาะว่าลิ้นรถสาะว่ารถเนี่ยกลายเป็นเอาคําพูดของเขามาใส่แล้วก็เข้าว่าเราเข้าว่าเราเมืองว่ากูมืองว่ากูเนี่ยนะ แทนที่กูจะดูกูมึงจะดูมึงเนี้ยกลายเป็นเรื่องของมึงมาว่ากูมึงไม่รู้เรื่งไงว่ากูเป็นใครลกลายไปเรื่องเวลาวอย่างงี้ยนะมันมีดอกเบี้ยกรรมเขาว่ามาเขาก็แจกลูกปืนเป็นดอกเบี้ยให้ด้วยเอาความตายให้เลยการด่าเจ็บใจแต่ท้ายสุดก็คือเจ็บใจแล้วก็ขยายผลได้ลกลายเป็นเรื่องของระเบิดลูกเดียวนะค่าทั้งตัวเองค่าทั้งคนอื่นได้ มันก็ลายแรงพอสมควรแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่ารู้ทั น, นก็มันก็จะจบลงเออกลับมาดูเรามันเป็นยังไงกันเนาะอย่างเงี้ยเรานะก็มาทบทวนบางทีก็ชี้ถูกบางทีก็ชี้ผิดเออไม่ว่ากันอย่างเงี้ยสติสัญญา ก, ก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันพร้อมมันจะรู้ลเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอย่างเงี้ยนะอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะสอจอก็รู้จักกันดีนะ ซจอคนนี้ชื่อเล่นสอจอหมูอย่างเงี้ยก็ทําหน้าที่ทําดีเป็นฝ่ายปกครอง <c oughs> เลือกตั้งทีไรก็ได้รับการเลือกตั้งตลอดเไปเรื่อยๆมีโรงงานไม้ยางพาเลทโรงงานหนึ่ง <c oughs> เป็นคนจันทบุรีก็มาสร้างโรงงานอยู่เสร็จแล้วเครียดจากระบบของเศรษฐกิจแล้วก็ลักษณะของคนที่เป็นมาเฟียมก็ อย่างว่ามีอะไรต่างๆที่ทำให้ต้องครับบวกครับใจนะก็ฝึกยิงปืนในโรงงานละจนบ้านกลางๆเขาก็ลำคานนะนะอยู่ๆก็ยิงปืนอยู่ๆก็ยิงปืนมันะมน่ากลัวก็ะสุนเดี๋ยวมันเป็นลูกหลงมาโดนใครก็อเงี้ยนะมันกาอันตรายหวาดหวั่นกันก็ไปแจ้งนะสอจอบอกให้สอจอนะมาจัดการทิงสอจอก็ดีมากกับคำนันะมาก็นั่งคุยถึงเรื่องการยิงปืน เจ้าของโรงงานก็ตอนรับอย่างดีเอาเหล้ามาเลี้ยงเอากับแก้มมาเอาถั่วคั่วมาจาังหวะที่เอาถั่วคั่วมา <c oughs> เสร์ <c oughs> อามาเสิรนะ์ระหว่างที่ถั่วคั่ววางลงก็ชักปืนยิงใส่สจออย่างเลือดเย็นกนะำนันก็ว่าอา้าวไปยิงสจอเขาทาไม พร้อมกับชักปืนยิงไปด้วยนะก็เลยเป็นเรื่องของสามเศร้านะอีกคนหนึ่งยงอีกคนนะอีกคนก็ต้องมายิงอีกคนนะีนะก็กลายเป็นหนึ่งศพนะกลายอีกหนึ่งสาหัสสาการนนะไปนองโรงบานเป็นอัมพาตเนะจ้าของโรงงานนะก็เรียกว่าถึงเป็นอัมพาตก็ยังไม่รอดพ้นนะจากการที่เขาอาฆาตมาร้ายแล้วก็ผูกพยาบาท ก็ตามไปเก็บอีกถึงบ้านที่จันทบุรีขนาดเป็นอาวุธแล้วนะอาโหสีกรรมก็มีการอาัยกันก็ไม่มีนะก็คือลรื่องของจิตนะที่หาอยู่หากินกันโดยที่ไม่ได้มีการปรจเวกนะไม่รู้จักพอกันยอดเงินในบัญชีนะเหลือกินเหลือใช้กันแล้วนระย่างอยู่ในโลกแบบใช้กรรมกันนะอันนี้เราจะได้เห็นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัตินะมาเห็นตัวเรานะี่ยแหละ นะการกินการอยู่นะหรือว่าลักษณะของกิเลสทิมนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราโทสะโมหะโลภะต่างๆ่า ง, งนะมงันจะผลักเป็นพลังที่พาให้เราคิดเราพูดเราทําเป็นพฤติกรรมต่างๆ่ามันก็จะมีอุตสาหกรรมมีสถาปัตยกรรมนะมีวิศวกรรมมีกเกษตรกรรมมีการกรรม มีพาณิชยกรรมมีเพศยกรรมมีปฏิมากรรมมีจิตกรรมของเรานี่มาฐานของกรรมอันนั้นเ็าขาดสติก็ไปหาสตางค์มีระดับของสัญชัญญาณแต่ของเราระดับของสติปัฏฐานมันแยกกันชัดเจนอย่างนี้เรามาวัดป่าสุโตงก็ไปแล้วด้วยดีเนือเกิดเหนือแก่เนือเจ็บเหนื้อตายมันไม่ใช่ลรกษณะของสุขติหรือทุตติแต่มันเป็นสุกโต ที่มันเป็นปกติเหนือสุขเหนือทุกเหนือดีเหนือชั่วเนืบุญเหนือบาปเหนือเหตุผลเหนือกุศลเหนืออกุศลมันคือความเป็นปกติตรงนี้รู้สึกตัวแต่ละครั้งแล้วจะอาอะไรอีกแต่ว่ารู้สึกตัวกันเป็นหรือเปล่าถ้าไม่ฝึกไม่หัดไม่ตั้งใจใส่ใจจริงๆนะมันไม่เป็นหรอกแต่เราก็จึงต้องเรียกว่ารัดกลุ่มสักนิดหนึ่งละเอียดแยบคายสักหน่อยประณนิกับตัวเองสํารวมระมัดระวัง กลับมารู้เนื้อรู้ตัวให้เป็นนะตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะอยู่ในโลกนี้แต่โลกไม่ทับไม่ถมนะโลกอยู่กับโลกเราก็ไม่ช้ําพระโลกทำก็ไม่เสียโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียอยเงีนะ้ยอยู่กับโลกแบบรูโ้โรครู้หลกเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะอิสระมมันจะเกิดจากตรงนั้นนะ่ะนะอยู่ประเทศไทยแล้วไม่ต้องกลัวอดอยากนะใครอดอยากแสดงว่าขี้เกียจกี้ครัน คนขี้เกียจขี้การบิขี้เกียจคนที่เบลเอหรือ ว, ว่ามัวจิตมว ม, วมวนี่เป็นอาหารของนิวรธรรมทั้งหมด น, นิวรธรรมเลยว่าตัวที่เรียกว่าถินทะถินธมิแทะตัวนี้นอาหารก็คือการที่เราเหมือนกับ ซ, อ, ซอยง่อยเหงาอยเงีง้งงยพวกนี้นมันเป็นอาหารของนิวรธรรมเราก็ต้องปลุกตัวเองขึ้นมา เวลาปฏิบัติธรรมมัรู้สึกว่าเบอร์เบอร์มือมือมก็ต้องเจตนาใส่ลงไปเจตนามันเป็นกรรมฐานเจตนาธรมดีมันก็ดีเจตนาธรำชั่วก็ชั่วไม่ได้เจตนาทำดีมันก็เป็นกตตกรรมไม่ได้เจตนาธรรมชั่วก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นกตตกรรมไม่ได้เจตนาธรรมกรรมฐานมันก็ไม่ได้มีสติงอกงามขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจตนากําหนดรู้เนี่ยต้องใส่ลงไปนะทุกครั้งที่เจตนากําหนดรู้แล้วก็นะ ล่มใหม่ตลอดอย่าคิดว่ามันปฏิบัติมานานแล้วเริ่มใหม่ตลอดขณะนี้คือขณะนี้ปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนี้สัพพัตรู้กระทบรู้มันไม่มีอะไรให้รู้กับรู้สึกตัวไงนะรู้สึกกายไงนะมันมีให้รู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราขี้เกียจรู้หรือไมนะ่มันไม่มีอะไรทํากับงานเก่าๆงานหลกักๆที่เป็นหน้าที่ไงนะก็ไปทําเหมือนเดิมนั่นแหละเชา้าก็ไปทํางานเย็นก็กลับบ้านก็นเหมือนเดิมนั่นแหละ ของเราก็เหมือนกันชาวตื่นขึ้นมาก็ฝึกสติปัฏฐานนั่นแหละเคลื่อนไหวรู้สึกนั่งเดินยืนนอนรู้สึกนั่นแหละกระทามันอยู่ตรงนี้นะที่เหลือมันจะเป็นอะไรนั่นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรนะเมื่อก่อนกรรมมันจัดสรรแต่ตอนนี้เราอยู่เนื้อกรรมก็ให้ธรรมะมันจัดสรรเราบ้างแต่ว่ามันจะจืดจืดมันไม่อร่อยใหม่ๆมันเปรียบเทียบกับรสชาติทางโลกแล้วทางโลกมอร่อยกว่า เวลากรดขึ้นมาเลือดลมมันเดินดีเคยมีชาวญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุโกตอน ะ, นะชื่อนกคิโรเอเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่หลายปีทีเดียวแต่ปฏิบัติลาทือๆไม่รู้อะไรจืดหน้าซีดเงี้นพอถึงเวลาไก่ยกมือสร้างชัว่วมันเคยไปเดินที่สระกลางน้ำบอกเดินตรงนี้ฉันมีความสุขมากเลยท้ายสุไงเจอชาวบ้านไปไล่ไง เพรานั้นผู้หญิงทั้งหลายนะในวัดนี้พยายามตักเตือนกันอย่าไปเดินที่สลากลางน้ำนะตรงนั้นนะเป็นเขตของพระสงฆ์ก็ลงโบสถ์กันโบสถ์ในโบสถ์ในปกติก็ห้ามไปอยู่ไปขึ้นไปถ้าไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตนะอันนี้ก็เหมือนกันสลากลางน้ําเราถือว่าเป็นอุทกสิมสีมาเนะพราะนั้นจะไปปฏิบัตินี่ให้ผู้ชายให้พระนะเป็นเขตที่มันปลอดนะ ลักษณะของคําโลกวัิชา ต, ต่างๆตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักใช้สถานที่เขตอาโคจรอย่างเงี้ยพระสงฆ์ก็จะมีเหมือนกันตรงไหนคือเขตอาโคจรก็คือไม่ควรไปวัตถุอนามาตุพวกเนี้ยอะไรคือวัตถุอนามาตุเราก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้อ ง, องมันมีก็มันอยู่ตถ้าถูกสมมุิแล้วให้เป็นพระที่มีหน้าที่ก็ไปทำํำ ดูน้ําดูไฟอะไรนะไปเหอะนะเราก็จะไม่เพนพ่านกัน น, น, นะเพราะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะมีกรอบนะก็คือตัวเราอยู่ตัวเราได้สบายนะมันก็จะมีความพอดีไม่ได้ใช่อะไร ฟ, ฟ, ฟุ่มเฟือยหรอกมันก็จะอยู่แบบอยู่ง่ายอยู่ให้เ้าเลี้ยงง่ายจริงๆนะเป็นไปตามแล้วนะของศีล น, นาสุขมาให้นนศีลนํำปกติมาให้ศีล น, นําความเย็นมาให้ แคเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมอย่างทั้งจิตมันรู้สึกมีศีลนิ่งๆนะี่ญาติโยมก็กรสนใจเราอยู่แล้วล่ะศีลเลสุขติงยันติจีเลนะโพกสัมมาทาศนะีลเลนะนี่พระติญจีโตสมะที่เราวิโสทะเย่นะก็คือศีล น, นำสุขมาให้ศีล น, นำปกทัพย์มาให้ศีล น, นำความเย็นมาให้ศีลก็คือสภาวะของปกตินั่นเองเมื่อกายเราปกติดีเราก็จะนิ่งๆหน้าต า, าก็จะวางๆปล่อย มันก็ยังไม่ได้เกกไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งเคลียดไม่ได้ครึมอะไรนะนจะเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาธรรมดาผ่อนคลายสบายดีตรงนี้ร่างกายก็สบายดีทถ้าหัวจรสเท้านะนะเวลาปฏิบัติให้สังเกตนะมือมันถือเวลาเดินจงกรมนะนะเทคนิคการเดินจงกรมมันก็มือจับกันไวใช่ไหมมันถือนะหรือว่าไพ่หลังจับกันไว้เท้ามันเคลื่อนไหวแต่มือนิ่งอย่างเงี้ยนะนะหรือว่ากอดอก รัวลวงกระเป๋าเงี้ยหรือว่าเอามือไปเอาผ้ามาพันคอแล้วไปสอดใส่ไว้เงี้ยนะบางทีมันเดินนานๆเป็นวันๆสองวันสวันมันเมื่อยจริงๆนะแต่เรถ้าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราเห็นว่ามือมันถือมือมันจับกันแต่ใจมันปล่อยมันวางตรงเนี้ยมันได้ประโยชน์เราเห็นว่ากายทุกแต่ใจไม่ทุกมันจะเริ่มแยกเราละเวลาเรานั่งก็เหมือนกัน เวลานั่งเคลื่อนมือแทนที่จะเมื่อยมือจะเจ็บขาเจ็บเอวน้ำหนักกดทับเลือลมไม่เดินจะเน็บชากินเรามีทีมก็จเจ็บเข้ากระดูไปเลยปวดมากตุลนทุลายเราเห็นนะเออปวดไกลแต่ใจไม่ปวดมันจะเกิดขึ้นมากายในปวดปวดใจในธรรมดามากเลยปกติรู้อยู่มีสติมันก็จะแยกให้แบบนนีะ้ตัวนี้เราจะได้เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของมัน เวลามันเกิดขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเช่นเจ็บป่วยมากๆหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยน้ำทิ่มไม้ทิ่มหรือว่าไปทํางานทําการแล้วเกิดได้เลือดขึ้นมาองี้เราจะเห็นว่ามันมีนมอาการแย่ๆอะไรเราเลยทันทีเนื่องจากการฝึกการหัดอันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆนะเคยครั้งหนึ่งกลางวันแสกแส ก, แ, สกแดดร้อนมากๆนะทํางานไอเลือดก็ฉีดดีๆนะหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับ ก็นี้วันหนึ่งเนี่ยเอามือของเราจับไอ้กเกลียงก่อสร้างเนี่ยเราไปปาดปู น, นที่ห้องน้าหลังกลลงรลุพกมนะปรากฏว่าวันนั้นมันมีเหล็กที่เราทำแผ่นพื้นแล้ววางเพื่อที่จะตั้งต้นไม้เป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ปลายเหล็กมันยงยื่นออกมาเหล็กประมาณอสองหุนย่อนสองหุนย่อนไหมถึงว่าไม่เต็มสองหุน เสร็จแล้ว เ, เราก็ไม่ทันเรามันระวังมองแต่ข้างล่างแต่ว่าข้างบนไม่ได้มองหัวมันไปกระแทกมันก็ปักชืก้นกลางก็หม่อมนะล่ะมันปักไปลึกหยุดพอสมควรเสร็จแล้วพอชักออกมาเลือดมันก็โช่ไหลเป็นทางเลยเป็นน้ําโจกเลยนะี่มันก็รับรู้ก่อนแล้วก็มือไปอุดเอาไว้ไปอุดเลือดห้ามเลือดในขณะที่เพื่อนเนี่ยร้องวอยวายทุลนทุรายเจ็บแทนเรา จป็ปวดแทนเรา เ, เราก็เห็นโอ้ใจของเราเนี่มันก็ยังนิ่งๆรู้สึกตัวอยูนะ่มันก็ไม่ได้เสียวอะไรแต่พอเพื่อนลองก็อาจจะเสียไปตามเพื่อนบ้างนะโอ้ยเพื่อนเอ้ยจะไปเสียวขนาดนั้นทำไมามารู้สึกตัวดีนี่มันคือข้อสอบคือโจทยนะ์ของนักปฏิบัตินเนี่ยเนียเราก็ได้เห็นเป็นประสบการณ์ที่สนุกดีแต่ละวันแต่ละวมีโจทย์มากมายแต่ว่ามันก็ผ่านได้จากการที่เราเคยฝึกเคยหัดมาอย่างหนักนั่นแหละ หนักก็ฉนั้นทําให้หนักไว้ก่อนแล้วก็มีการ l ิ m i t มีครูบาอาจารย์เขาไว้อันนี้ถือว่าปลอดภัยเนะมื่อวานมีชาวจีนนะเขบอกว่าอาจารย์เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะนะเขาบอกว่าเดือนเนี่ยขาขอมาส่งอารมณ์อาจารย์เดือนละครั้งได้ไหมนะก็เลยบอกเขาว่าทุกวันทุกวันนะมันไม่ใช่ว่าเดือนละครั้งแล้ทุกวันนะ สงอารมณ์กันทุกวันทําให้ดูอยู่เห็นกันทุกวันนะอย่าหลบอย่าหลีกนะไปอยู่คนเดียวอยู่ในห้องขังตัวอยู่ในห้องเพเพ้ะไม่ได้ปฏิบัติกันหรอ ก, นะ ม, ม, กนะมันทํากิเลสมันทําตามกิเลสกันอย่างนี้กิเลสก็ยิ่งใหญ่อยู่ในที่ลับอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ปลอดภัยวันะ้มาเดินที่แจ้งกันแต่พอเดินแล้วเราเห็นว่าเออมันอยู่ได้เราอยากจะลองอยู่ในที่ที่ลับบ้างนะนะเก็บอารมณ์อย่างนะี้แต่ต้องมีครูบาอาจารย์หรือกันฑนะมิตรคอยนะ ไปสอบอารมณ์อันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนกันในสมัยหลวงปู่เทียนนะหลวงปู่เทียนจะคอยเดินไปเคาประตูดูว่านอนหลับอยู่หรือเปล่านะทำอะไรอยู่เงี้ยเหมือนหลวงพ่อคำเขียนเคยได้รับประโยชน์สูงสุดเลยหลวงพ่อคําเขียนท่านก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในห้องคนเดียวเงียบเลยหลวงปู่เทียนก็เห็นตั้งใจปฏิบัติก็จะเวียนเช้าวเวียนเย็นแหละ เสร็จแล้วก็เวียนไปจังหวะที่หลายคนก็นอนกันหลวงปู่เทียนก็รู้ไปเคาะประตูาทาอะไรอยู่ถามปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อเขียนก็โตต่อหลวงปู่เทีย น, เ, ยน เ, เห็นไหมอยู่ข้างในเห็นข้างนอกไหมเนี่ยเปิดประตูออกมาสิหลวงพ่อเขียนก็เปิดประตูออกม า, เ, าเห็นข้างนอกไหมเห็นครับ ตรงนั้นเราเห็นข้างในไหมเห็นครับหลวงพ่อเขียนก็นกได้เลยอ๋อหลวงปู่เทียนให้เราอยู่กลางๆเห็นนอกได้เห็นในด้วยบางทีมันเห็นในไม่เห็นนอกบางทีเห็นนอกก็ไม่เห็นในประเภทเห็นนอกเห็นในคือหลงไปข้างนอกนะวัตถุกรรมคุณอย่างนี้นะประเภทเห็นในไม่เห็นนอกก็หมายถึงมันเห็นอยู่แต่ข้างในตัวนะมันไปอยู่กับเรื่องของตัวเองโดยไม่เห็นข้างนอกนี มันก็ยังไม่เป็นกลางนะมันหลงนอกหลงในอยู่หลวงพ่อเขียนก็ได้ประโยชน์อ๋อจิตกลางๆองนีะอีกทีหนึง่งหลวงปู่เทียนอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะไม่ได้เห็นเองหลวงพ่อขีนเขาเล่าให้ฟังที่หลวงปู่เทียนก็เอาผ้ามาคลุหมหัวเดิ น, นเวลาปฏิบัติแล้วค น, นปฏิบัติแล้วเครียดมากมากเพ่จงจ้องจี้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแล้วก็ดูว่าไม่เป็นกลาง ลวงพ่อเทียนเอาผ้าคุมหัวเดินนะก็คล้ายๆมันไม่เห็นข้างนอกหรอกนะประเภทนี้เหมือนเอาผ้ามาปิดเอาไว้ไม่เห็นอะไรเลยนะปฏิบัติแบบไม่เห็นอะไรเลยประเภทนี้ปัญญาไม่เกิดนะเสร็จแล้วประเดินไปสักหน่อยก็เปิดผ้าออกนะครับสอนกันแบบเซนแบบนั้นที่ก็ว่าไม่ได้พูดครนะูบาอาจารย์ก็ก็ทําให้ดูอยู่ให้เห็นอย่างนะี้เราก็เก็บเกี่ยวประโยชน์สังเกตเอาเองนะ หรือสังเกตรหัสของธรรมชาติต่างๆฝนตกแดดออกอากาศคลื่มพวกนี้นะมันจะมีผลข้างเคียงต่อจิตใจของเราอย่างไรนะเช่นแดดออกจ้าเราก็ไม่อยากลืมตาอย่างเงี้ยอยากจะหลับตาเรื่องทีอากาศมัวมัวใจเราก็เศร้าเศร้าคิดแต่เรื่องเศร้าเศ้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็นอนอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้เห็นมันหรือบางทีนะ อากาศหนาวๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากออกมาเจออากาศข้างนอกเราคุ้มโปงไม่อยากลุกไม่อยากเตืน่นเงี้ยเราก็จะได้เห็นมันไม่ว่าจะฤดูไหนฤดูไหนความขี้เกียจขี้ค้านมันก็จะตามมาเสมอสาหรับคนที่ขี้เกียจแต่ว่าคนที่ขยันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฤดูไม่ได้เกี่ยวกับเช้ากับสายกับบ่ายกับค่ำไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่อนล้าขนาดไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับเช้าสายมันจะต้อง ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันเป็นความรู้สึกตัวนะที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเว ล, เวลานะมันไม่เกี่ยวกับอายุเท่าไรนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับป่วยไม่ป่วยเพราะว่าทุกๆนะอาการที่เกิดจากภายนอกภายในมันก็คือนะอาการที่มาให้เราได้รับรู้เรียนรูนะ้ด้วยตาในนะตาสติตาปัญญานะตรงนี้แหละมันจะเป็นพัฒนาการของเราที่เรานะได้มาฝึกหัดเรียนรู้รับรู้แล้วก็นะ ปฏิบัติธรรมตั้งแต่เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นเวรนาตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงจนกระทั่งเห็นธรรมชาติต่างๆตามความเป็นจริงก็คือว่าเห็นว่าสรรพสัตว์สรรพสิ่งไม่ใช่เราแน่นอนมันเห็นด้วยความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวมันก็จะเป็นเล่าณาของธรรมะที่มันเฉลยจะรำความจริงต้องแต่ตื่นยันหลับ ตลอดเวลาเวลาเลยเพียงแค่เรานะรับรู้ความรู้สึกตัวให้มันเป็นนิสัยจะนั้นเกิดความเป็นเองขึ้นมาแต่คว่ามจะเป็นนิสัยได้เราจะต้องเรียกว่าฝึกหัดนะในรูปแบบให้เก่งให้ชนานาญให้ไดนะ้ให้มันแตกฉานในรูปแบบซะก่อนทำแตกฉานในรูปแบบปับ๊บมันก็จะลามมาถึงนอกรูปแบบแล้วจนกระทั่งเหมือนเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะของธรรมชาตนะิที่มันเป็นปกติก็มันอยู่นะ นานเท่านานะนะมันจะมีจนกระทั่งมันก็ว่าเรามันอกมันใจเลยว่าชีวิตนี้มันจะตกรวไหลไปสู่ความเสื่อมไม่ได้นะไหลไปสู่ความทุกข์ไม่ได้ก็เียว่าใช้กายใช้ใจของเราเป็นพ่วงแพรจนกระทั่งพายถอนะจนถึงฝั่งนะฝั่งที่ว่าอาจจะเป็นลนักณของนะโสดาปฏิพลหรือว่าสติตาคามนะีปฏิผล เรื่เป็นลักษณะของอนาคามีปฏิผลหรือว่าเป็นอรหัตสผลมันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาษาที่เขาสมมติกันก็คือโกรธสักร้อนะปุถุชนจนทั้งโกรธสัก 75% เป็นส์โสดาบันโกรธสัก50เป็นเป็นสติธาคามีโกรธสักหเอ่สิเปอร์เซ็นเป็นอนาคามี ไม่โกรธเลยร้อเซเงี้ยเป็นอาหารหนะันจะสมมุติอย่างเงี้ก็ได้มาดูเป็นรุกธรรมแล้วก็ง่ายด้วยเราได้เห็นพนาการของเราเียพนะเวลาเพื่อนเขาหงุดหงิดเขาด่าเขาทาอะไรให้เราไม่สบายใจนะอันนี้ก็เรียกว่านะกา ร, ระยาณนะมิตรต้องขอบคุณกันนะส่วนคนที่เขานะไม่จริงใจอันนี้ก็จะแหลหน่อยเราสังเกตไม่อยากจะแหลแผลอา ก, การแหลแผลก็เรียกว่าตอแหละนะแหลเป็นภาษาอีสานะแต่ว่า เราก็สามารถที่จะนึกภาพออกนะแหล่ะคือน้ำที่มป็นแฉนะดินที่มันแฉะตอก็คือตอไม้นี่แหละเมื่อนไม่ตั้งอยู่ก็แหล่ะปักไว้ไม้หลักปักที่เลนก็โยกเยกหน่อยนะคนที่ก็ตอแล่ะก็จะโยกเยกไปโยกเยกมาแต่คนที่ก็ตรงไปตรงมาเนี่ยก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาบางทีก็ฟังดูไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหรนะ่แต่ละคือความปัญนาดีจริงๆนะที่พระเจ้ามักจะพูดว่า อันนนนะเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดเนะราจะนาบโตแล้วกระหนาบเธออีกไม่มีหยุดเหมือนก็บช่างปังหม้อที่ทํากับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่นะผู้ใดทํากับเธอชี้โทษกับเธออย่างนั้นนะนะเธอจงคบกับบุคคลที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาพวกนั้นกําลังชีข้ขุมทรัพย์ให้อนยะ่างนั้นก็เลยกลายเป็นว่าบรรยากาศของกายามิก็คือเขาจะพูดความจริงนะคําว่าความจริงในที่นี้ก็คือนะ ลักษณะของอาการต่างๆอัปปะเกลียะต่างๆที่ตรงไปตรงมานะแต่ว่าหมาะแก่กาและแทะสะนะเพราะาถ้าพูดความจริงอย่างเช่นเราโกรธจริงๆเนี่ยเราพูดความจริงออกไปตามอารมณ์ก็จะเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังสองเคสเมสื่อสักครู่เนี่ยนะตัวอย่างก็คือท้ายสุดก็คือกลายเป็นเรื่องของบรรดาลโทษสะนะแล้ว ก, กลับมาเป็นโทษต่อไปเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราษณะของการมิตรเราก็รอได้คอยได้แล้วก็อดทน มีความอดทนลึกซึ้งต่อกันอนยะ่างเงี้ยเป้าหมายของเราคือมรรคผลนิพพานนะแล้วก็เราไม่ได้หวังผลอย่างเดียวแล้วก็ปาราลบเหตุทําเหตุจนกระทั่งเหมือนก็ว่าเรามีประสบการณ์ตรงนะในการที่ใช้เครื่องแบบเรื่อมาอยู่วัดอยู่ว่าใช้ล้านาของปัจจัย4นีะ่เสนานาะที่อยู่อาศัยในเครื่องนุ่มยยารักษาโรคนะแล้วก็ใช้จนกระทั่งเกิดประโยชน์สูงสนะุดเกิดการนะที่เราได้ ได้คุณค่าของชีวอนุชก็คือนะมีเครื่องไม้เครื่องมู่ตาในของเราที่มันเกิดจากนะการฝึกการหัดการที่เราบังคับแหกเลยละ่นะตาของเราเนี่ยบังคับแหกเลยโดยใช้แล้วนะของรูปแบบการฝึกหัดปฏิบัตินะกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวแต่ละขณะนะพลิกมือตั้งให้รู้สึกตัวยกขึ้นมาให้รู้สึกตัวอามาที่สะดือให้รู้สึกตัวจนครบนะที่รูปแบบนะปฏิบัติที่หลวงปู่เทียนได้ ชีนนาเอาไว้จนกทังหลวงพ่อเขียนท่านมารับรู้รับทราบแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติจนกระทั่งตั้งสํานักขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเราก็ใช้แลนะของคําพูดคําบอกคําสอนของท่านนะนามาฝึกมาหัดกันอย่างนี้นนะะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านก็อยู่อย่างนะมีสันติสุขสันติภาพแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจนะ ถ้าจะพูดก e ็พูดด้วยเมตตาถ้าจะคิดก็คิดด้วยเมตตาจะทําอะไรก็เกี่ยวข้องกันด้วยความพัฒนาดีอย่างน้นก็ขอให้ความพัฒนาดีของพวกเราทั้งหลายนั้นก็เป็นบรรยากาศของกายามิตรแล้วก็ใข้ควรอย่างแยบคายยังนั่งนำมาฝึกหัดปฏิบัติเป็นประสบการณ์ตรงของกครของเราก็ขอให้การกระทําของเราทั้งหลายนั้นการวิวัฒน์ปมจจัน์ของเราทั้งหลายนั้นก็จมเป็นไปเพื่อคุณค่าของชีวิตของเรานะ มีสติมีสมัมผัาจนกงทั้งจิตใจของเราเป็นปกตินะเข้าถึงความผาสุกนะอย่างแท้จริงภายในจิตใจของเราโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนทันเธอน